นิทานบันเทิงเรื่องเจ้าชายกับต้นสะดามพระเจ้า เกิดเป็นพระเจ้ากรุงจบการศึกษาแล้วอยู่ครองเรือนได้ระยะหนึ่งเกิดเบื่อหน่ายบวชจาก บำเพ็ญฌานสมาบัติจนได้บรรลุคุณวิเศษๆคือตาทิพย์ ขณะนั้นพระเจ้าพรหมทัตทรงประทับอยู่ในพระ ในเอออํามาตย์พระเจ้าค่ะเจ้าค่ะมีพระเจ้าค่ะค่ะพระองค์ รีบเดินไปยืนเจริญพรหน้าแล้วเจริญพรความเคารพ ถ้าอย่างงั้นขอกลับไปกราบทูลก่อนนะเจริญเดี๋ยวเดี๋ยว ทรงรับสั่งนิมนต์ท่านไปเดียวนี้เลย พระคุณเจ้าคุณเจ้าไม่ทราบพระคุณเจ้าน่ะอยู่ที่ คือเรื่องพระโอรสเรื่องพระโอรสพระองค์ทรงพยายามอย่างเต็มที่ ลูกชายของโยมคนนี้นิสัยอืมถ้าเราไปก่อนล่ะนั้น พระเจ้าพรหมทัตทรงโล่งพระทัยที่ได้ พลพระๆองค์ชายมีพี่น้องกันกี่คนเนี่ยก็ นานๆมาทีองค์ชารู้จักต้นไม้นั่นเป็นอะไรไปเลยเจ้าชายหืออ่ะนั่นว่าต้นไปมาเคี้ยวดูสิอืมเนี่ยสิ ต้นอะไรวะเนี่ยขมบลายเลยต้นแค่เนี้ยมันพิษร้ายขนาดนี้แล้ว จะเป็นอันตรายต่อคนได้เป็นอันตรายต่อคนได้องค์ชายก็เหมือน นัตตาณีขอให้ทรงมีเมตตากรุณาต่อทุก ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณท่านมากเลยครั้น เหมือนพระเจ้าโปรมทัศน์